จเจริญพรท่านผู้ท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่ทานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่25สิงหาคมพุทธศักราช2555เป็นวันพระวันธรรมสวนระวันฟังธรรม เป็นวันเสริมสร้างบุญบารมีที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้พวกเราได้มาเกิดสูงสู ง, สงต่ำาๆไม่เท่ากันเพราะบุญบารมีที่ได้สะสมมาในอดีตไม่เท่ากันนั่นเองบางคนสะสมมากก็มีความเจริญก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองมากมีรูปร่างหน้ า, า, า, า, นาตา ที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมากมีฐานะการเงินที่ร่ำที่รวยมากมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดมากเหล่านี้เป็นผลที่เกิดจากการสะสมบุญบรารมีมาในแต่ละภกในแต่ละชาติพวกเราจึงไม่มีความเหมือนกันเนื่องจากเราสะสมบุญบรารมี มาไม่เท่ากันนั่นเองถึงแม้จะออกจากพ่อแม่คนเดียวกันเช่นพี่น้องก็ยังมีความแตกต่างกันในความรู้ความสามารถความดีความไม่ดีเพราะผู้ที่มาเกิดนั้นไม่ได้ออกมาจากพ่อแม่สิ่งที่ออกมาจากพ่อแม่คือร่างกายส่วนผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆนี้ ไม่ใช่เป็นร่างกายเรียกว่าใจใจก็คือดวงวิญญาณของผู้ที่ตายไปแล้วแล้วก็มาสิงสถิตมาใสร่างกายอันใหม่เพื่อมาสร้างบุญสร้างบาปต่อไปอย่างนั้นถึงแม้ว่าจะออกจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ใจนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ ที่กเนิดของใจนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคือกรรมกรรมเรามีกรรมเป็นผู้ให้กาเนิดเราเป็นกรรมผู้ให้เผ่าพันธุ์เราเป็นกรรมผู้ที่เราเป็ น, าปนญาติของกรรมเราเป็นผู้รับผลของกรรมเราจึงมีความแตกต่างกันเมื่อเรามาเกิดมาเป็นได้ร่างกายของมนุษย์แม้แต่ฟ้าแฝด ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ใจก็ยังไม่เหมือนกันเพราะใจนี้มาจากที่คนละที่กันได้สะสมบุญบารมีมามากน้อยแตกแต่างแตกต่างกันนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ม, มีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลง มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามผิวพรรณผ่องใสมีฐานะการเงินที่ร่ำรวยมีสติปัญญาที่แหลมคมฉลาดเราก็ต้องมาสร้างบารมีสิบประการด้วยกันดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างมาในแต่ละภพในแต่ละชาติซึ่งปรากฏอยู่ในพระติธไตรปิฎกว่าพระเจ้าสิบชาติ พระเจ้าสิบชาตินี้ก็คือบารมีที่พระเจ้าได้ทรงสะสมไว้ในแต่ละชาตินั่นเองเช่นทรงเกิดเป็นพระเวชสังดอนก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างเต็มเบี่ยคือทรงบำเพ็ญบารมีมากกว่าชนิดอื่นในชาตินั้นบางชาติก็สะสมปัญญาบารมีบางชาติก็สะสมวิริยะบารมี เช่นพระมหาชนกทรงต้องไปลอยคออยู่กลางทะเล <c oughs> ก็ทรงใช้การสร้างวิริยะบารเมคือความขยันความภาคเปลี่ยนไม่ยอมแพ้ว่ายน้ำไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดว่ายเหล่านี้เป็นตัวอย่างของบรารมีแต่ละชนิดที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเผ็ญมาแล้วได้นำเอามาสั่งสอน ให้แก่พวกเราผู้ที่ยังมีบารมีน้อยจะได้เกิดฉันทะความยินดีเกิดวิริยะความอุตสาหะที่จะหมั่นสร้างบุญบารมีให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับเพราะบุญบารมีนี้เท่านั้นที่จะเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้สิ่งที่ดีที่งามที่เราทั้งหลายปรารถนากันความอยากได้นี้ไม่ได้เป็นเหตุ ถ้าเป็นเหตุก็เป็นเหตุเพียงเหตุที่จะกระตุ้นให้เราได้สร้างบุญบารมีถ้าเรามีความอยากแต่เราไม่สร้างบุญบารมีอยากไปอีกกี่ร้อยกี่แสนชาติก็จะไม่มีวันได้สิ่งที่ดีที่งามที่เราอยากจะได้กันดังนั้นขอให้เราจงม า, มาบำรุงเหตุที่จะทำให้เกิดผลที่เราปรารถนากัน ก็คือบารมีทั้งสิบประการเริ่มต้นด้วยข้อที่1คือเป็นกอไก่ขอไก่ของการสร้างบารมีเวลาเรียนหนังสือก่อนที่เราจะอ่านออกเขียนได้เราก็ต้องเรียนกอไก่ขอไข่ไปก่อนก่อนที่เราจะสร้างบารมีต่างๆได้เราต้องสร้างบารมีข้อที่1ก่อนข้อที่หนึ่งก็คืออธิษฐานบารมีอธิษฐานนี้ มีความหมายอยู่สองความหมายเท่าที่เรารู้กันคือการขอสิ่งขออะไรต่างๆจากสิกศักดิ์สิทธิ์เราก็อธิษฐานกันอันนี้ไม่ใช่อธิษฐานในบารมีอธิษฐานบารมีนี้หมายความว่าความตั้งใจคือเราต้องตั้งเป้าต้งต้องตั้งจุดหมายปลายทางที่เราจะต้องการจะไป เช่นถ้าเราต้องการจะสร้างบุญบารมีเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าในชาตินี้เราจะสร้างแต่บุญบารมี <Yeah. S 1> เช่นวันนี้ญาติโยมมาวัดก่อนที่จะมาวัดได้ญ า, าติโยมก็ต้องตั้งอธิษฐานบารมีรือตั้งตั้งใจตั้งเป้าว่าวันนี้เป็นวันพระ <c oughs> จะมาทำบุญจะมาสร้างบารมีที่วัดกัน อันนี้เป็นบารมีที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าเราไม่มีอธิษฐานบารมีเราก็จะเป็นเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือเรือที่ไม่มีหางเสือย่อมไม่สามารถบังคับให้เรือวิ่งไปในทิศทางที่เราปรารถนาจะไปได้เรือจะไหลไปตามกระแสน้านตามกระแสลมใจเราก็เป็นเหมือนเรือ ถ้าเราไม่มีอธิษฐานเราไม่มีความตั้งใจปล่อยให้ใจเราไปตามอารมณ์มันก็จะเป็นเหมือนเรืออารมณ์ดีเราก็จะทำดีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะทาบาปจะทาไม่ดีแต่ถ้าเราได้ตั้งบารมีไว้ว่าเราจะทำแต่ความดีพอมีอารมณ์ที่จะดึงให้เราไปทำไม่ดีเราก็จะฝืน เพราะเรามีความตั้งใจว่าเราจะทาแต่ความดีนั่นเองเหมือนเรือที่มีหางเสือถึงแม้ว่ากระแสน้ากระแสลมจะพัดให้เรือไปทางทิศหนึ่งที่ไม่ต้องการจะไปผู้ที่ขับเรืออยู่ก็สามารถใช้หางเสือคัดหางเสือไม่ให้ไหลไปตามกระแสน้มกระแสลมได้ดังนั้น เราจึงต้องเจริญอธิษฐานบารมีก่อนที่เราจะเจริญบารมีอื่นๆได้เมื่อเรามีอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีบารมีข้อที่สองเมื่อเพื่อมาสนับสนุนความตั้งใจของเราบารมีข้อที่สองนี่ก็คือสัจจะบารมีคือความจริงใจความเอาจริงเอาจำเช่นเราตั้งใจจะทําอะไรแล้ว เราต้องเอาจริงเอาจังต่อความตั้งใจไม่ใช่ว่าตั้งใจแล้วพอถึงเวลาทำก็เปลี่ยนใจอย่างนี้การมีอธิษฐานบารมีก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรามีความจริงใจคือเมื่อตั้งใจจะทำอะไรแล้วจะต้องทำให้ได้ยกเว้นเตุสุดวิสัยเช่นตายไปหรือเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถลุกขึ้นมา ทำตามสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ได้ถ้าเราไม่มีสัจจะบารมีเวลาถึงเวลาจะทาแล้วก็ล้มละเนลละนาคไปเช่นในช่วงปีใหม่เรามักจะตั้งอธิษฐานกันว่าจะทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้เช่นจะไม่ดื่มสุราจะไม่สูบบุหรี่แต่พอถึงเวลาเกิดความอยากดื่มสุราเกิดความอยากสูบบุหรี่ขึ้นมา ความตั้งใจนั้นก็จะล่มเหลวไปได้เพราะทนอำนาจของความโกรธกิดความทุกข์ใจไม่ได้แต่ถ้ามีสัจจะบารามีได้อธิษฐานแล้วตั้งสัจจะว่าเป็นตายอย่างไรก็จะไม่ดื่มสุราจะไม่สู่บุเรยอมตายดีกว่าเสียสัจจะถ้ามีอย่างนี้แล้วเราก็จะสามารถรักษาความตั้งใจของเราได้ เนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพก่อนที่จะทรงตัดสรูปพระพุทธเจ้าได้ทรงตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาตรงนี้ไปจนกว่าจะตัดสรุปจนกว่าจะได้บรรลุเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าตาดใดยังไม่บรรลุจากนั้นจะไม่ลุกจากที่นั่ง ดังนั้นจะไม่หยุดจะไม่หยุดการภาวนานี่คืออธิษฐานสัจจะที่พูุ้ทธเจ้าได้ทรงตั้งไว้จึงได้ทำให้พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานอกจากอธิษฐานสัจจะแล้วเรายังต้องมีข้อที่สามาสนับสนุนอีกหนึ่งข้อก็คือความวิริยะความภาคเพียง เมื่อเราตั้งใจจะทําอะไรแล้วเราจะขี้เกียจไม่ได้เราจะต้องทําบ่อยๆทําให้มากๆเพื่องานของเราจะได้สําเร็จรุ่วงไปได้ตามความปรารถนาตามความตั้งใจถ้าเรามาผัดวันประกันพรุ่งหรือทําทีลดนิดทีลดีหน่อยอย่างนี้ก็อาจจะไม่ทันการเหมือนโบราณที่สอนไว้ว่าน้ําขึ้นให้รีบตัก ชีวิตของเรานี้ก็เป็นเหมือนน้ำตอนนี้เรามีชีวิตเราสามารถทาสิ่งต่างๆที่เราตั้งใจจะทําได้แต่ถ้าเราเกิดความเกลียดคร้างขึ้นมาไม่อยากจะไม่อยากจะทาหรือทาน้อยเดี๋ยวเกิดเราตายไปก่อนเราก็จะหมดโอกาสเสียโอกาสที่เราจะาทำในสิ่งที่เราปรารถนาได้ ดังนั้นเมื่อเรามีความตั้งใจแล้วมีสัจจปะกแล้วเราก็ต้องมีวิรยิยะความอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรที่จะทําในสิ่งที่เราได้ตั้งใจเอาไว้ถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะไม่ทันการเช่นเขามีการเปิดให้จองบ้านราคาถูกอย่างนี้เราต้องการบ้านถ้าเราไม่ขยันไม่รีบไปจองเราบัวแต่ ผัดวันประกันพรุ่งเนื่องจากมีภารกิจอย่างอื่นมีเหตุการณ์อย่างอื่นพอถึงเวลาไปก็อาจจะสายไปคนอื่นเข้าจองกันไปหมดแล้วก็ได้ดังนั้นนอกจากมีสัจจะ ม, มีอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีวิริยะบามีคือความขยันความภาคเพียร น, นอกจากสัจจะอธิษฐาน และวิทยาแล้วได่ยังต้องมีอีกข้อหนึ่งถึงจะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการได้ให้สำเร็จลุ <c oughs> ล่วงไปได้อย่างรวดเร็วข้อที่สี่ก็คือขันติความอดทนเพราะสิ่งที่เราทำนี้มันไม่ใช่ของง่ายถ้าเราไม่มีความอดทนเราก็อาจจะแพ้ได้หรืออาจจะไม่ได้ทำก็ได้เช่นอดบุรีอดสุรา พอเวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้จะเกิดความทุกข์ทรมานใจมากถ้าเราไม่มีความอดทนแล้วเราจะไม่สามารถต้านความทุกข์ต้านความอยากดื่นสุราต้านความอยากสุบุรีได้ถึงแม้เราจะมีอธิฐานมีสัจจะมีวิรยิยะแต่พอไม่มีขันติพอไปเจอความทุกข์ยากลาบากเท่าหน่อยก็ทนไม่ไหวยอมแพ้เราก็จะไม่สามารถ ทำในสิ่งที่เราต้องการจะทําได้นี่คือบรารมีสี่ข้อที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบรารมีอีกหข้อที่จะตามมาต่อไปบรารมีข้อที่5ที่เราต้องเจริญก็คือเมตตาบรารมีนี่คือข้อเป็นเป็นบรารมีที่สําคัญคือใจของเราต้องมีความเมตตามีไมตรีจิตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานหรือเป็นเทพเป็นพรหมขอให้เราแผ่เมตตาให้กับทุกๆุคนอย่าไปรังเกียจอย่าไปกโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปอาฆาตพยาบาทอย่าไปจองเวรจองกรรมไม่ว่ากับใครทั้งนั้นคนที่มีความคิดร้ายกับเราเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับเขาเราอย่าไป เลือกแผ่ต่อแต่เฉพาะคนที่เรารักคนที่เราชอบเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้แผ่ด้วยการสับประสัทว์ทั้งหลายสับเพสับ ต, ตาแปลว่าสับประัตว์ทั้งหลายก็คนทุกๆคนและเวลาที่จะแผจ่จริงๆก็ต้องแผ่ตอนที่เราเจอคนไม่ใช่แผลตอนที่เราอยู่คนเดียวเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์อยู่ในห้องพระ ไหว้พระเสร็จแล้วเราก็แผ่สัเพสตาอเวราโหนตุอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการแผ่อย่างนี้เรียกว่าเป็นการทำการบ้านเป็นการซ้อมแผ่ไปก่อนเวลาจะแผ่จริงๆต้องเวลาเจอคนเวลาเขาด่าเราเราก็ต้องแผ่สาธุสาธุไม่เป็นไรไม่ถือสาถ้าการด่าของคุณทำให้คุณมีความสุขก็ขออนุโมทนา อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่จริงๆเพราะถ้าเราแผ่อย่างนี้ได้แล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะมีความสุขใจของเราจะเป็นเทพเ ป, เป็นมนุษย์แต่ถ้าเราไม่สามารถแผ่ได้เราเกิดความโกรธแค้นขึ้นมาเราใจของเราก็จะกลายเป็นยักษ์ไปกลายเป็นมารกลายเป็นนรกไปใจของเราจะรุ่มร้อนขึ้นมา เราจำเป็นจึงต้องมีการฝึกซ้อมไว้ก่อนเช่นเวลาเราไหว้พระสวดมนต์เราก็ต้องลองซ้อมแผ่ไว้ก่อนลองคิดถึงเหตุการณ์ที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นกับเราเช่นเราถูกคนอื่นเขากันแกล้งถูกคนอื่นเขาด่าถูกคนอื่นเขาแฉ่งชิงเอาสิ่งที่เรารักเราหวงไปแลานึกถึงความรู้สึกที่ดีที่เรามีต่อผู้อื่นให้เราส่งความรู้สึกนี้ พรายามเิความรู้สึกที่ดีอันนี้ขึ้นมาในใจเราให้ได้ด้วยการซ้อมอยู่เรื่อยๆหรือหัดกล่าวคำว่าสาธุสาธุให้เขาคิดให้คิดว่าถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่มีโอกาสได้แผ่เมตตาเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีความเมตตาหรือไม่แต่ถ้ามีเขาแล้วเราจะได้รู้ว่าเรามีความเมตตาจริงหรือไม่ ถ้าเขาด่าเราแล้ ว, ลวเราโกรธเขานี่สแสดงว่าเรายังไม่มีความเมตตาเรายังสอบตกสแสดงว่าเราต้องกลับไปทําการบ้างให้มากขึ้นต้องหัดแท่ให้มากขึ้นซ้อมให้มากขึ้นจนกว่าที่เราจะสามารถอนุโมทนาขอบใจเขาได้เวลาที่เขาด่าเราหรือเวลาที่เขาทําร้ายเราเราต้องขอบใจเขาเพราะเขาเป็นผู้ ทดสอบบรารมีของเรานั่นเองดังที่มีคำพูดว่ามารบ่มีบารมีบ่เกิดถ้าเราไม่มีมารมาแย่ yeah, เราเราจะไม่รู้ว่าเรามีบรารมีหรือไม่ <c oughs> แต่ถ้ามีมารมาแล้วเราจะรู้ทันทีเลยว่าเรามีบรารมีหรือไม่ <c oughs> นี่คือบรารมีข้อแรกที่เราควรที่จะหัดแผ่กันอยู่ตลอดเวลา พราะเราสามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเวลาเราเจอใครเราก็แผ่บารมีทักทายยิ้มแย้มส่งความปรารถนาดีให้ต่อกันสวัสดีกันถ้ามีอะไรแบ่งปันกันแจกกันได้ก็เอามาแจกเอามาแบ่งปันกันถ้ามีอะไรใครเดือดร้อนพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปดูแลกันไป นี่คือเมตตาบารมีถ้าเรามีเมตตาบารมีแล้วเราก็จะสามารถเจริญบารมีข้อที่หกได้ข้อที่หกก็คือทานบารมีนั่นเองก็คือการให้การให้เช่นอย่างวันนี้ญาติโยมก็เอาข้าวของเงินทองมาให้มาถวายพระถ้าญาติโยมโกรธเกลียดพระโยมก็คงจะไม่เอา กับข้าวกับปลอาหารต่างๆมาถวายพระแต่นี่เนื่องจากโยมไม่มีความโกรธเกลียดโยมมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อพระเองจึงได้นำเอาอาหารข้าวหวานต่างๆข้าวของต่างๆมาถวายพระนี่แหละคือการสร้างทานบา ร, รมีที่แท้จริงการสร้างทานบา ร, รมีก็เพื่อเสริมความเมตตาของเราให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเอง อย่าสร้างทานบารมีด้วยความโลภความอยากได้ผลตอบแทนเหมือนกับบางแห่งที่เขาสอนให้ันว่าทำทานอย่างนี้แล้วจะได้สวรรค์ชั้นนั้นทำทานอย่างนี้แล้วจะได้ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีชั้นนั้นระดับนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นเจตนาของการสร้างทานบารมีที่แท้จริงการสร้างทานบารมีที่แท้จริงนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเมตตาให้เกิดขึ้นภายในใจของเราเพื่อให้เรามีความไม่ยึดติดอยู่กับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพื่อไม่ให้เราโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะสมบัติเข้าของเงินทองนี้เป็นโทษมากกว่าเป็นภยัยเป็นขุนถ้าเรามีมากเกินไปเงินทองนี้มีไว้เพื่อดูแล ร่างกายดูแลชีวิตของเราเท่านั้นถ้ามีมากเกินไปก็จะกลายเป็นภัยต่อจิตใจเพราะจะสร้างความหวงความหวงความวิตกกังวลสร้างความยึดติดในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็จะทำให้เราไม่สามารถมาสร้างทานบารมีได้ดังนั้นเวลาเราทำทานเราขอให้เราคิดว่าเป็นการปลดปลื้อง ความผูกพันต่อทรัพสมดัตเข้าของเงินทองที่ไม่จำเป็นที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีและเป็นการปิดประตูของกิเลสตัณหาผู้ที่จะผลิตความทุกข์ความรุนวายใจให้กับเราเพราะเวลาเรามีเงินทองมากแล้วบางทีกิเลสจะมายั่วยวนกวนใจเราทำให้เราต้องไปทำบาปทำกรรมเช่นมีสามีคู่หนึ่ง เวลาที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมายังไม่มีฐานะก็ต่างคนก็ช่วยกันทำงานขยันขันแข็งไม่ไปเที่ยวไหนไม่ทำอะไรแต่พอร่ำรวยขึ้นมามีเงินเหลือกินเหลือใช้แล้วทีนี้กิเลส ข, ของแต่ละคนก็ออกมาภรรยาก็ไปเล่นการพนันสามีก็ไปมีอีหนูไปแอบมอีหนูที่อื่นเพราะมีเงินเหลือใช้แล้วมีเวลาว่างแล้ว ไม่ต้องทำมาหากินแล้วนี่คือโทษของเงินทองถ้ามีมากเกินไปแทนที่จะทำให้เราทำความดีกับจะทำให้เราทำความบาปแล้วเราจะต้องสูญเสียคนที่เรารักไปคือสามีภรรยาที่ต่อสู้พันฝ่าความทุกข์ยากล ำ, ลำบากกันมาด้วยกันแทบเป็นแทบตาย พอรวยแล้วก็เลยถูกอำนาจของกิเลสตัณหาทำให้จะต้องเกิดการทะเลาะวิวาสเกิดความแตกแยกแยกทางกันไปดังนั้นขอให้เราทาทานไม่ใช่เพื่อความล่ำรวยแต่มันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นตามมาแต่ไม่ใช่ภายในชาตินี้ไม่ดเป็นต่อไปภายในชาติหน้าเช่นพระเวชสันดร ที่ท่านทำทานอย่างสุดกำลังของท่านเวลาท่านตายไปท่านก็ได้ไปจุติอยู่บนสวรรค์แล้วหลังจากนั้นท่านก็ลงกลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแต่ท่านไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเมื่อถึงเวลาที่ท่านจะต้องสละราชสมบัติเพื่อออกบวชท่านก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนี่คือการสร้างทานบา ร, รมีต้องสร้างอย่างนี้ ไม่ได้สร้างเพื่อให้เราโลภให้อยากได้เงินทองมากขึ้นเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วเวลาเรามีเงินทองมากขึ้นเราก็จะกลายเป็น เ, เป็นเหมือนนักโทษถูกเงินทองนีจ้จับเราขังเอาไว้เราจะไม่สามารถอยู่ห่างไกลจากเงินทองได้เราจะไม่สามารถสร้างบารมีที่สูงกว่าได้ก็คือบารมีข้อที่7ได้แก่ ศีลบารมีถ้าเราทำทานด้วยจิตที่เมตตาใจของเราก็จะไม่ชอบทำบาปเพราะเราชอบช่วยเหลือคนชอบให้คนอื่นมีความสุขนั่นเองเราก็จะสร้างศีลบารมีได้ศีลบารมีก็คือศีลที่ญาติโยมได้ได้ได้สมาทานไวเ้เมื่อกี้นี้ห้าข้อด้วยกันคือ ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักทรัพย์ละเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีละเว้นจากการเสพสุรายาเมาพูดปดมดเท็จเนีก็จะรักษาศีลนี้ได้อย่างง่ายได้จะเจริญศีลบารมีนี้ได้อย่างง่ายได้ศีลบารมีนี้สําคัญมากเพราะจะปิดกั้นไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายนั่นเอง ถ้าเราไม่สามารถสร้างศีลบา ร, รมีได้เรายังจะต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเปรย ไ, ไปตกนรกอยู่แต่ถ้าเราสามารถสร้างศีลบา ร, รมีรักษาศีลได้อย่างสม่ำเสมอเราก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายเมื่อเรามีศีลบา ร, รมีแล้วใจของเราก็จะมีความสุขมีความสงบเพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้เราสามารถสร้าง บรามีข้อที่แปดได้นั่นก็คือเนคขมมะบรารมีเนคขมมะบรารมีนี้คืออะไรก็คือการออกบวชนี้เองการออกจากกรรมมาสุขคือจะไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพลาเพราะผู้ที่มีศีลนี้จิตใจจะมีความอิ่มผู้ที่มีทานบรารมีนี้จิตใจจะไม่หิวโหยไม่อยาก จะชอบความสงบชอบความสุขก็จะทำให้สามารถเจริญเนขัมมะบารมีได้เนขัมมะบารมีก็คือการรักษาสิ่แปนี่เองด้วยการเปลี่ยนสิ่ข้อที่สามจากกาเมสุมิจาจาราเวระมณีมาเป็นอรรมัจจริยาเวระมณีคือไม่ร่วมหลับนอนกับไปทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือไม่ก็ตามจะไม่หาความสุขจากการเสพการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นแล้วก็จะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปคือจะรับประทานเพียงครั้งเดียวหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ไม่เกินเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่รับประทานอาหารไม่ต้องการหาความสุขจากการกินไม่ไม่ได้อยู่เพื่อกิน จะกินเพื่ออยู่เท่านั้นเหมือนกินยากินเพื่อให้ดับความหิวทางร่างกายไม่ได้หวังความสุขจากการการการกินแต่จะหาความสุขจากการทําใจให้สงบจากการละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่หาความสุขจากการแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสวยๆงามๆด้วยการแต่งหน้าทาปาก ด้วยการใช้น้ำหอมน้ำมันต่างๆอันนี้ก็จะตัดไปพร้อมกับการไม่หาความสุขจากการบันเทิงทั้งหลายเช่นการดูหนังฟังเพลงร่องลำมทำเพลงหรือออกไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆจะตัดความสุขเหล่านี้ไปจะมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจะแล้วก็จะละเว้นจากการหลับนอนบนฟูกหนาๆ คือไม่ต้องการหาฟางสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปจะหลับเพียงเท่าที่ต้องกายต้องการด้วยการนอนบนพื้นพื้นแข็งแข็งปูด้วยผ้าหรือเสือ่อเพราะเวลาร่างกายได้พักเต็มที่แล้วร่างกายก็จะจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะพื้นมันแข็งมันไม่นิ่มแต่ถ้าเรานอนบนฟูกหนาหนา พอร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่แล้วตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจคือกิเลสยังอยากจะนอนต่อก็จะไม่ยอมลุกเพราะว่ามีเบาะนิ่มๆไว้นอนเหมือนกับนอนบนปุยเมฆอย่างนี้ก็จะนอนต่ออีกหลายชั่วโมงทำให้เสียเวลาต่อการที่จะมาสร้างบารมีข้อที่9กก็คืออุเบกขาบารมี ตวเบขาบารมีก็คือการทำใจให้เป็นกลางให้ว่างจากความโลภความโกรธความหลงการจะทำได้เราก็ต้องเจริญสติควบคุมความคิดของเราเพราะความคิดของเรานี้เป็นผู้ผลิตอารมณ์ต่างๆขึ้นมาผลิตอารมณ์โลภโกรธหลงรักชังโกรธเกลียดต่างๆขึ้นมาถ้าเราหยุดความคิดได้อารมณ์ต่า ง, างๆเหล่านี้ก็จะหายไป วิธีที่เราจะหยุดความคิดเราก็ต้องเจริญพุทธานุสติหรือกายากตาสติหรืออนาปนาสติถ้าพุทธานุสติก็ให้เราลึกถึงคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปให้ระลึกไปทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นเกิดมาจนดับอย่าไปคิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องคิดคิดแต่เฉพาะเรื่องงานเรื่องการคิดได้แต่ถ้าเรื่องเพ้อเจอเรื่องเพ้อฝันอย่าไปคิดให้เสียเวลา สู้ใช้พุโทโธพุธโทโธลบออกไปดีกว่าใจจะได้ว่างเป็นอุเบกขาและเวลานั่งสมาธิหลับตาใจจะได้เข้าสู่ความเป็นอุเบกขาอย่างเต็มรูปแบบถ้าไม่มีการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลามานั่งสมาธินี้ใจจะลอยไปลอยมาจะไม่ยอมอยู่กับพุโทโธจะไม่อยู่กับลมหายใจเข้าออกจะคิดเรื่อยเปื่อยไปดูลมไปก็คิดไปด้วย พุโทโธไปก็คิดไปด้วยถ้าเป็นอย่างนี้นั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่พบกับความว่างความสงบไม่พบกับอุเบกขาดังนั้นเราจึงต้องเจริญสติก่อนจเจริญไปทั้งวันเลยพอมีเวลาว่างจากภารกิจการงานเราก็มานั่งทำใจให้สงบจะใช้พุโทโธก็ได้จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ไม่นานใจก็จะเข้าสู่ความสงบ พอสงบเป็นสมาธิแล้วก็จะเป็นอุเบกขานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการก็คืออุเบกขาบาลมีเองเพราะผู้ใดมีอุเบกขาบาามีแล้วจิตใจจะเย็นจะสบายจะเป็นกลางจะไม่เดือดร้อนนุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆใครจะชมใครจะดา่าก็เฉยๆเป็นอุเบกขาจะได้หรือจะเสียก็จะเป็นอุเบกขาไม่ดีใจไม่เสียใจ นี่คืออุเบกขาบารมีพอเรามีอุเบกขาบารมีนะเราก็จะสามารถเจริญบารมีข้อที่สิได้ก็คือปัญญาบารมีปัญญานี่แหละที่จะทําให้ใจของเราเป็นอุเบกขาอย่างถาวรอย่างตลอดเวลาถ้าเราใช้การเจริญสตินั่งสมาธิเราก็จะได้อุเบกขาชั่วคราวขณะที่ใจเราอยู่ในความสงบ แต่พอเราออกจากควาสมสงบออกมารับรู้เรื่องราวต่างๆใหม่ๆก็เป็นอุเบกขาอยู่หรอกเหมือนกับน้ําที่เราแช่อยู่ในตู้เย็นเวลาออกมาจากตู้เย็นใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่แต่พอทิ้งไปนานๆเท่าแล้วมันก็จะหายเย็นใจของเราเวลาออกจากสมาธิใหม่ๆก็ยังเป็นอุเบกขายังเฉยได้อยู่แต่พอ ออกมานานๆา เ, เริ่มรับรู้เริ่มน้นเริ่มนี้มากขึ้นเริ่มคิดปรุงแต่งมากขึ้นปัจจุบต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้ใจไม่มีไม่ตั้งอยู่ในอุบเบกขาถ้าอยากจะให้อยู่ในอุบเบกขาตอนนี้ก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยปัญญาจะสอนใจว่าอย่าไปหลงอย่าไปอยากอย่าไปโลภ ก, กับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆที่อยากที่ด้านนี้เป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะเขาไม่เที่ยง มีมาแล้วก็ต้องมีไปเช่นอยากจะได้แฟนเวลาได้แฟนมาก็ดีใจพอเวลาแฟนจากเราไปเราก็จะเสียใจจะทุกข์มากกว่าตอนที่เราไม่มีแฟนให้คิดอย่างนี้เราจะได้ไม่กล้าอยากจะได้อะไรเมื่อเราไม่อยากจะได้อะไรใจของเราก็จะกลับเข้าสู่ความเป็นอุเบกขาได้ต่อไปนี่คือปัญญามารณี รวมกันแล้วก็เป็นสิบประการด้วยกันเริ่มต้นที่อธิษฐานบารมีความตั้งใจสัจจบารมีความจริงใจวิริยะบารมีความภาคเพียรความขยันขันติบารมีความอดทนเมตตาบารมีความปรารถนาดีทานบารมีคือการให้ศีลบารมีคือการละเว้นจากการทำบา เนคข ม, มะบารมีคือการออกจากกามมรสุขคือการออกไปบวชไปถือศีลศีลแศีลสิบศีลสองร้อิบเจ็แล้วก็อุเบกขาบารมีก็คือทําใจให้สงบให้ว่างให้เป็นกลางปัญญาบารมีก็คือสอนใจให้ฉลาดไม่ให้หลงอยากได้สิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นความทุกข์ เนื่องจากว่าไม่เที่ยงและไม่ใช่เป็นของเราไม่ช้าก็เร็วเขาก็จะต้องจากเราไปถ้าเรามีบา ร, รมีทั้งสิทธิประการนี้แล้วรับรองได้ว่าใจของเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นของพระอาหารหันต์หรือขั้นของพระพุทธเจ้าเลยเพราะเป็นบา ร, รมีชนิดเดียวกันที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้สะสมได้สร้างมากันนั้นเองถ้าเราสร้างเราก็จะได้เหมือนกันเหมือนกับเราสะสมเงินทองเก็บเอาไว้พอเรามีเงินทองมากพอเษฐีเขาขับรถเบนซ์ได้เราก็ขับรถเบนซ์ได้มือนกันเพราะเรามีเงินที่จะซื้อรถเบนซ์เหมือนกับเษฐีที่เขาซื้อรถเบนซ์ได้ฉันใดบารมีนี้ก็เป็นเหมือนเงินทองที่จะทาให้เราสามารถ บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายจึงฝากขอฝากเรื่องของการมาสร้างบุญบารมีในวันพระในวันธรรมมัชวะวันธรรมมัชวะ น, ะนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไป